50 languages. e i g h t y s w a t e r Sanu p o d y a า เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์านุการทีกันนาเพียเราต้องล้างจานสานุบรทนตัวเนปยคุณต้องจ่ายบิลด้วยหรือเปล่ากิตนบิลเดนเียคุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่ากิตเนรเวชุลกเดนะเพย คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าคิเหนวจุรมาน่าเดินา่ะเพี้ยใครต้องการลาจากกันอนนนจจาาาดใครต้องการกลับบ้านก่อนคิสเน่การิตจดีจานาเหะใครต้องนั่งรถไฟคิดสเนเทรนฟรดนีเห เราไม่อยากอยู่นาน <S อ s s i h o เระโจฮนเดซีเราไม่อยากดื่มอะไร a s คุกปีน่าไโจฮนเดซีเราไม่อยากรบกวนคุณอ न न s s ปนิษฐานไนาโจฮนเดซีตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์แมฟูนกรันลาซี แม่ฟนการันหีวาลีซีดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่แม่แท็กซี่มังโวนาจดาซแม่แท็กซี่มังโวจอนดีซีที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกับบ้านอาสลเวชแม่คันจอจอนาซอาลวชแม่จอนจดีซีดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณเมนูล a กยาคิดุสอปเนพัตินุฟนคันนาโจหันเดศีดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลเมนูลักยาคิดตุสีสุขณาเซวาหนฟนคนาโจนเดศดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซาเมนูลักยาิดุสีพิซซามังโวนาโนเดศี